พวกเรามีหน้าที่ที่จะใช้โอกาสในช่วงคบรรศา น, นี้ในการศึกษาศึกษาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเล่าเรียนเขียนอ่านแต่ว่าศึ ก, ศกษาในความหมายที่เป็นศึกขา ษาคือการฝึกฝนอบรมพัฒนาตนหรือจะเรียกให้ใกล้เคียงาาก็ได้ว่าศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงความจริงของชีวิตที่จริงไม่ใช่แค่เข้าใจตามความหมายทั่วไปแต่ว่า เห็นเลยเห็นความจริงของชีวิตเห็นความจริงของตัวเองเห็นชนิดที่ลงไปถึงสาเหตุหรือรากเหง้าของความทุกข์ที่เรียกว่าสมุทยัยถ้ามันเห็นชัดๆเห็นจริงๆก็ก็หลุดจากทุกข์ได้ เพราะว่ามันจะเห็นถึงความความเป็นมายาหรือเห็นถึงลูกไม้จะเรียกว่าลูกไม้ก็ได้หรือเลขกลของอัตราตัวตน จนกระทั่งรั่วโอยที่ไปยึดยึดอานี้ที่จริงมันไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกับได้กล่องมาสักกล่องหนึ่งก็นึกว่าข้างในกล่องนั้นมันจะมีงูก็จะไม่กลัวกล่องนั้นแต่พอเปิดเข้าไป เปิดกล่องเข้าไปไม่เห็นอะไรเลยมันว่างเปล่าไปหมดมันก็หายกลัวหรือบางคนอาจจะไปคิดว่าในกล่องนั้นมันมีนมเพจรินกินดาก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนที่เขาบอกว่ามีทองท่อนหมดกุ้งสดุ้งทั้งวันหรือเกิดความ หวงแหนในกล่องนั้นแต่พอเปิดมาดูไม่มีอะไรไอความตื่นตื่นตื่นอกหรือว่าความหวงแหนมันก็มาลายหายไปพอได้เห็นความจริงไอที่แล้วก็ไอที่เคยทุกข์เพราะว่ามันคิดเอาทั้งนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะ ศึกษาจนตลอดสายกระทั่งเห็นความจริงและความจริงนี่แหละที่จะทำให้เราหลุดจากทุกข์ได้แต่ว่าในระหว่างทางของการศึกษามันก็ยังมีหลายขั้นตอนที่ต้องทำ ที่จะทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะเห็นความจริงอย่างที่ว่ามาได้นะนะขั้นตอนอยนี้เราก็เรียกว่าการศิกษาการศึกษาคือการศึกษาการอบรมบุพเพใน3ประดับ3เรื่องก็คือศีลสมาธิปัญญา สีนี่ก็เป็นเรื่องของกายวาจาต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของกายวาจาเป็นเบื้องต้นเหมือนกับว่าเราจะเรียนเพื่อเข้าใจเราจะเรียนวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจวิทยาศาสตร์ขั้นสูงมันก็ต้อง เริ่มต้นจากตั้งแต่เรียนอ่านออกเขียนได้แล้วก็เรียนคำนวณเรียนต้องรู้จักพื้นฐานเรื่องการบวกเลขหรือว่าเลขคณิตก่อนอ่านออกเขียนได้ก็จำเป็นพวกคณิตสายก็จำเป็นพูงคือต้องตั้งแต่รูปบางก็ต้องมาปูดพื้นกันตั้งแต่เรื่องนี้เลย ใจสิกขานี้ก็ต้องเริ่มต้นจากเรื่องศีลศีลกายวาจาให้เป็นปกติไม่ไปเหยียเดเบียนใครให้เดือนเนื้อร้อนใจเดือดเนื้อร้อนใจในแง่ที่ว่าไปทําความทุกข์ให้แก่คนอื่นแล้วก็ไม่ไม่มีความสุขรู้สึกผิดหรือไม่ก็รู้สึกกลัวที่เขาจะมา มาแก้แค้นมาเอาคืนหรือรู้สึกวันไหวเมื่อถูกเขาตำหนิถูกเขาต่อว่าที่ทำสิ่งที่ไม่สมควรผู้คนหันหลังให้ไม่ไ ม, ไม่คบคาสมาคมด้วยแค่นี้จิตใจก็เป็นทุกข์แล้วไม่ต้องรอให้เขามาเล่นงานแก้แค้น จรงเซียมก็รวมไปถึงเรื่องของการทําใจให้การทํากายวาจาให้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นอย่างที่พูดเมื่อวานถ้าทําใจของเราให้มีเมตตากรุณ า, าคือหรือเอื้อเฟื้อผู้อื่นทีแรกอาจะทําด้วยความไม่ตั้งใจหรือว่าทําตามตา ม, ตามเขาเขาชวนใส่บาต ก, ก็ใส่ไป เขาชวนไปช่วยเหลือคนก็เอาก็ขัดขัดไม่ได้ก็ไปช่วยเขาแต่พอไปช่วยเขาแล้วก็เกิดความซาบซึง้งไปช่วยคนทุกคนยากเป็นคนเท่าคนแก่เขามาขอบอกขอบใจเราก็เกิดความสุขรื่มปิติโอ ตอนมีคุณค่าขนาดนี้เชหรือคนท่าคนแก่เขาอุตส่าห์เขาถึงกับมาขอบคุณถึงกับไหว้ขนมมือไหว้เราขอบคุณเร า, า, า, า, า, า, าไม่เคยหรือว่าการไปการไปช่วยคนแค่นี้มันจะส่งผลให้ถึงเราขนาดนี้มันหรือว่าเห็นว่ามันจะมีความหมายต่อเข้าขนาดนี้อันนี้ จิตใจกเกิดความปิติมันก็เกิดความอยากจะทำความดีสิ่งที่เราทาก็ย้อนกลับมาบ่มเพาะจิตใจของเรานี่ก็เป็นเรื่องศีลจากนั้นก็เป็นเรื่องสมาธิก็ เ, เป็นการฝึกใจให้ส ง, งบฝึกใจให้มีคุณภาพฝึกใจให้ให้มีความอดทนทาใจให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติอย่าต่ำๆก็มีเช่นมีความสงบมีความสุขมีความเพียรมีสติและทั้งหมดนี่แหละก็จะเป็นเครื่องมือให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้พูดแบบย่อๆเพื่อเห็นว่าในการศึกษาของเรามันมันมีขั้นมีตอนแต่ว่า บางทีเราก็เรียกสันส้นๆเรียกง่ายๆว่าเออเพื่อเพื่อทำบุญนะหรือว่าเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีนํามาบวชก็เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อสร้างบารมีหรือว่ามาจำศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อสร้างบุญบารมีแล้วก็หวังว่ามีเชื่อมีศรัทธาว่าบุญบารมีนั้นก็จะทําให้เราได้ ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานหรือว่าได้เกิดความเจริญมั่งมีสิ้สุขในชาตินี้อันนี้ก็เป็นเป็นความเชื่อแต่อันนี้ก็ไม่ผิดแต่ว่าก็ต้องให้เข้าใจว่ามันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างไรและบุญกุศลที่ว่านี่มันพาไปสู่ นะความสุขในปัจจุบันชาติหรือว่าไปสวรรค์ในพพหน้าหรือว่าเข้าถึงนิพพานอย่างไรต้องมองหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันทีนี้พอทีอนี้เราพอพวกเราสร้างบุญบา ร, รมีแล้วก็จะไปแล้วก็จะได้เกิดโน่นเกิดนี่ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร ดูตัวเออทำบุญเยอะๆแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีไปเองเดีวก็เดี๋ยวจะเดินไปเองแต่ไม่ได้เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเราก็ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยโดนะยรู้ให้มันเห็ น, หนความเชื่อมโยงกันว่าเออที่มาบวชแล้วมาศึกษาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันหรือว่ามีการ รักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วนี่มันทําให้มีความสุขในชีวิตนี้ได้อย่างไรยืมไปสู่ความสุขความพาสุขในภพน้าได้อย่างไรนั่ก็ต้องรู้เข้าใจว่ามันมันเป็นเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลดีเรามีความเอื้อเฟื้อเกี่ยวคุณกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ก็เคารพนับถือเราหรือเขาก็ อาจจะมีความซาบซึ้งในในตัวเราเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราถ้าเราเป็นเจ้านายลูกน้องก็จะรักแล้วก็พาให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือถ้าเราฝึกจิตให้ดีมีความสงบมีอะไรมากระทบจิตใจก็ไม่หวั่นไหว มันก็มือขึ้นสวรรค์โดยที่ยังไม่ทันจะหมดลมซะก่อนหรือว่ามันทำให้คุณภาพจิตของเราดีในยามที่ตายหมดลมไปคุณภาพจิตนี้ก็สามารถจะนำไปสู่พบใหม่ที่ดีกว่ามันมีคำอธิบายที่มันเป็นเหตุเป็นผลแต่บางทีเราก็พูดกัน ไมง่ายเออทำบุญแล้วก็เดี๋ได้ไปสวรรค์หรือว่าได้เจริญแต่พอไม่รู้ว่าไอ้บุญที่ว่านี่มันหมายถึงอะไรก็เลยทำบุญกันตะพื้นตะพื้โดยที่ทำกันปีๆถูกๆก็มีหรืออย่างเช่นความความเชื่อว่าบวชแล้วจะได้บุญแล้วก็มีความเชื่อบวชแล้วจะได้บุญนี่บุญ ตกถึงเราอย่เดียว บ, บุญตกไปถึงพ่อแม่ด้วยนะอันนี้ก็เลยไปทำให้เกิดความเชื่อว่าการบวชแล้เป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เพราะว่าทําให้พ่อแม่ปล่อยได้บุญด้วยแล้วก็มีความเชื่อต่อไปว่าบวชแล้วก็ทําให้พ่อแม่กาเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ อันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ว่าพอให้อธิบายก็อธิบายไม่ได้ก็เชื่อเชื่อตามก่นตามกันมาเอ า, เอาเฉพาะที่ง่ายๆก็คือบวชแล้วได้บุญบวชแล้วได้บุญยังไงมันไม่ใช่บวชแล้วห่มผ้าเหลืองแล้วโกนหัวแล้วจะได้บุญทันทีมันไม่ใช่บวชแล้วจะได้บุญก็ต่อเมื่อ ปฏิบัติปฏิบัติเริ่มจากการลดการละลดละไอสิ่งที่เคยทำในสมัยเป็นคารวาสเช่นเพียงแค่ลดอบอายมุกได้เคยกินเหล้าเคยสูบบุหรีเคยเล่นการพ น, นันเคยเที่ยวเตรพอมาบวชพระแล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้ ก็ทําให้ต้องอดทนนะในความอดทนจนสามารถลดละเลิกได้เนี่ยแค่นี้มันก็ได้บุญแล้วเพราะว่าชีวิตพอหลุดออกไปจากอบียมุกเนี่ยมันก็มันเหมือนกับว่าหมืนกัหลุดออกมาจากจากถ้ำนะจากลูได้มาเห็นแสงสว่างก็มีความสุขขึ้นหรือพุอยญาเนี่คือว่า ความทุกข์มันก็ลดลงความทุกข์มันก็ลดลงไปไปเยอะการที่ความทุกข์ลดลงหรือว่ามีความสุขมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกบุญละหรือว่าถ้าเกิดมีความเห็นถูกว่าโอ้เอาบยมุนนี่มันไม่ใช่เป็นทางแห่งความสุขเลยนะกลับมาเห็นเห็น เห็นถูกต้องตามธรรมนองค์ทำว่าอบียมุกนั้นมันเป็นทางมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมในสมควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอันนี้คือเราสำ ม, มาทิฏฐิมีสำ ม, มาทิฏฐิมันก็ก็เป็นบุญแล้วเป็นกุศลแล้วเพราะว่าช่วยทําให้จิตใจเนี่ยมันหลุดจากความหลงอย่างที่พูดเมื่อวานบุญนี่คือเครื่องชำระ ชำระใจชำระใจชำระความหลงออกไปจากจิตใจชำระนะความความโง่ออไปจากจิตใจหรือว่าทาให้ชีวิตนี้เจริญเดินเดินไปในทางที่ถูกอันนี้ก็เรียกว่าบุญนะต้องเข้าใจว่าบุญนี้คืออะไรถ้าบวชแล้วได้บุญก็เพราะเหตุนี้แต่ถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัตินะ บวชแม้วไม่ปฏิบัติยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่ห่มเหลืองแต่ว่ายังเหมือนเดิมซึ่ง เ, เดียวนี้ก็ทำกันเยอะบางทีก็กินเข้าเย็นยังรักสูบบุหรี่กินเหล้านะมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญอาจจะได้บาปด้วยเพราะว่าเป็นการเป็นการหลอกลวงญาติโยม ญาติวงเขาใส่บาตร <c oughs> ก็โดยความหวังว่าเราจะเป็นที่พึ่งให้แก่เขาได้หรือว่าเป็นปฏิบัติตัวให้เป็นที่ศรัทธาเพราะว่าเขาเชื่อว่ามาบวชแล้วเนี่ยมันจะบวชแล้วก็จะ <c oughs> ก็จ ะ, <c oughs> จะเจริญเขาก็กราบไว้ ดูวความศรัทธาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีชีวิตไม่ได้ต่างจากญาติโยมเลยไม่ต่างจากต่อเป็นคาราวดาเลยฟังเพลงแหบกินเข้าเย็นสุบุรีกินเหล้าหรือว่าทำมาหากินเหมือนกับชาวบ้านค้าขาย ให้กู้เงินอันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บุญอาจจะได้บาปเพราะว่ามันผิดศีลเราต้องเริ่มต้นนะจากการที่ลดละแล้วก็เลิกในสิ่งที่มันเคยทำสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำสมัยเป็นคารวา นะแล้วก็เรามาตั้งต้นเนะนะนะพื่อพืชตนให้อยู่ในในในกรอบของพระวินัยนะอันนี้ก็เรียกว่าศีล น, นะถ้าเราปฏิบัติถ้าอยู่ในกรอบของวินัยปฏิบัติตามสิกขาบทอันนี้ก็เรียกว่าศีลนะของชาวบ้านมีศีลหศีล8ของพระนี่ก็ศีล227 เราเรียกว่าสึกษาบทศึกษาบทมันก็คําว่าศึกษานี่ก็แปลว่าบทศึกษาบทบทลุสิ่งที่ควรศึกษาคือควรปฏิบัติหรือบทหรือสิ่งที่ควรจะมาทําเพื่อลดลขัดกลาตัวเองศึกษาบทศึกษาคือมาศึกษานี้คือมาปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นกับตัวเอง ีเ ม, เมื่อเก็ดเกิดขึ้ขตัวเองแล้วเนี่ยชีวิตก็จะเบาก็จะสบายนะอยู่ง่ายกินง่ายพอเราอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยมันก็มันก็เป็นบุญบุญก็เกิดขึ้นกับเราแล้วก็คือว่าเราไม่ไปเป็นภาระ้าะ้แก่ใครนะคนเราถ้าอยู่โดยที่เป็นภาระให้น้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะ เป็นเพื่ตัวเองด้วยเป็นเพื่อผู้อื่นด้วยเป็นเพื่อกับโลกด้วยทีนี้พอเราปฏิบัติแล้วเรามีความเจริญเดินไปในทางที่ถูกต้องพ่อแม่เห็นยมพ่อยมแม่ก็มีความปิติที่ยังไาจจะมีความปิติดีใจตั้งแต่เห็นวันเห็นตั้งแต่วันที่เราบวชแล้ว เพียงแค่ เ, เราห่มเหลืองโกนหัวเข้าพิธีบวชโยมพ่อโยแม่ก็มีความสุขมีความสุขพ่อลายเพราะมีความเชื่อว่าเรากําลังไปในทางที่ดีพราะมีความไว้ไม่วางใจว่าไม่วางใจในในเพศบันประชิตไว้วางใจในวัดไว้วางใจในพุทธศาสนาว่าถ้าเรามาเข้าใกล้ชิด อยู่ในลมงานของศาสนาแล้วรับรองดีแน่ไปถูกทางแน่จเจริญแน่อย่างน้อยก็ในทางจิตใจก็มีความเชื่อมีความศรัทธายอย่างนี้นะครเพียงแค่เราบวชวันแรกเขาก็มีความสุขแล้วแต่ว่าเาสามารถจะเราสามารถจะช่วยคหเขามีความสุขได้มากกว่านี้ ถ้าเกิดเรา ป, รปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินยัยปฏิบัติตามพระวินยัยเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นและยิ่งเราไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามพระวินยัยแต่ว่าศึกษาธรรมะด้วยศึกษาธรรมะจนกระทั่งเกิดสมาธิธิเกิดความเข้นถูกข์ ว่าอย่างต่ำๆก็คือเชื่อในเรื่องของกรรมนะกรรมทำดีแล้วได้ดีทำชั่วได้ชั่วรู้ว่าอบายามุกมันเป็นโทษยังไงบ้างรู้ว่าการผิดศีลนี่มันทำให้ชีวิตตกต่ำอย่างไรบ้างมันเห็นชัดแล้วก็มีความตั้งใจที่จะรักษาศีลให้ดีอันนี้ก็ ยิ่งทำให้พ่อแม่นี้นะเกิดความเย็นใจว่าลูกของเรานั้นถ้าศึกออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนดีนะเพราะว่าชาวบ้านนี้เขาก็เขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ลูกนั้นบวชไปตลอดชีวิตบวชได้ก็ดีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็รู้ว่าบวชได้ไม่นานก็จะศึกมาศึกมาแล้วกลับมาเป็นคารวะใหม่เออก็จะได้ แต่ธรรมะติดตัวมาเริ่มเป็นคนสุกนะแต่ก่อนตอนยังไม่ได้บวชนี่เป็นคนดิบนะคนดิบพอบวชแล้วก็เป็นคนสุกเหมือนกับเนื้อที่มันดิบเนื้อที่มันดิบนี่มันก็ไม่มันก็ไม่น่ากินนะมันคาวแต่พอมาปรุงมันกลายเป็นเนื้อสุกปรุงเป็นอาหารกลายเป็นอาหารที่อร่อยนะมีประโยชน์ การบวชนี่คือก็เหมือนกับเป็นการปรุงการปรุงเนื้อที่ดิบให้มันสุกให้มันน่ากินคนถ้ายังไม่ได้บวชนะก็ถือว่ายังเป็นคนดิบอยู่พ่อละไรพ่ยังไม่ได้รับการศึกษายังไม่ได้รับการศึกษาในทางคุณธรรมในทางจิตใจถึงแม้ไปเรียนหนังสือมาก็ก็ยังไม่ได้เรียกเป็นคนสุขจนกว่าจะได้บวช เพราะเชื่อว่าบวชแล้วนี่จะได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติได้มีได้รับมีการขัดเกลาเมื่อศึกไปก็กลายเป็นคนสุขเป็นคนสุขแล้วก็พ่อแม่ก็สบายใจว่าก็คงจะรู้จักธรรมหากินดูแลตัวงได้เป็นผู้นำครอบครัวได้ไปขอผู้หญิง ขอลูกสาวเขาก็ให้ในสมัยก่อนนั้นแต่สมัยนี้มันมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ทันบวชก็มีเมียอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าถ้าบวชแล้วศึกไปเขาก็มีความสบายใจว่าลูกนั้นเนี่ยจะเป็นคนดีได้นะก็ทาให้ถ้าเกิดแม่จะตายพ่อจะตายก็นอนตายตาหลับนะ แต่ถ้าลูกยังบวชต่ออยูนะ่ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพ่อแม่เวลาพ่อแม่จะตายแล้วลูกยังบวชอยูนะ่เป็นผ้าเหลืองของลูกก็ตายตาหลับ ก, นะก็ไปสวรรค์ไดนะ้นี่เรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรคนะ์ทิ่เกาะ น, นี่คือว่า นึกถึงหรือได้เห็นจีวรของลูกแล้วในยามที่สิ้นลมแม่ก็หรือพ่อก็มีความมีความพื้นปิติจิตที่มีความพื้นปิติอย่างนั้นก็ทำให้ไปสวรรค์ได้เพราะเป็นจิตที่ประกอบไปได้วยบุญเป็นบุญจิตที่เป็นบุญในกุศล น, นี่ก็ไปสวรรค์อย่างเดียว ไม่มีทางลงนรกได้อันนี้คือคือความหมายว่าเกาะชายพ่อเหลืองขึ้นสวรรค์นี่นเราเดี๋ยวนี้ก็มีความเชื่อว่าบวชเพื่อเพื่อเอาบุญหรือบวชเพื่อตอบแทนคุณบิดามารดามันมีเหตุผลอย่างนี้ไม่ใช่ว่าบวชแล้วพ่อแม่จะได้บุญทันทีอันนั้นไม่ใช่ พ่อแม่จะได้บุญเมื่อเห็นลูกได้ประพฤติตนเป็นคนดีที่เคยเก่กมเมร็ยเ ก, กเรพอหรือติดเหล้าติดยาพอมาบวชแล้วนี่มีกิริยามารยาทมีอาจารวัรที่น่าน่ายกย่องนะกราบไหว้ได้สนิทใจพ่อแม่ก็เหมือนกับไม่เพียงแต่รู้สึกว่าโลกยกภูเขาจากอก ต่ก็มีความเย็นความสุขด้วยและยิ่งถ้าพ่อถ้าสามารถชักชวนให้พ่อแม่นี้เข้าวัดได้อย่างเช่นเวลาลูกบวชพ่อก็แม่ก็มาวัดอย่างน้อยก็มาถวายจังหันหรือว่ามามาถือศีลมาจำศีลหรือย่งนยมาฟังธรรม นะก็ทําให้พ่อแม่นั้นได้เข้ามาใกล้ชิดศาสนานะมาใกล้ชิดศาสนานเพียงแค่มาวัดนี่ก็เรียกว่าใกล้ชิดศาสนาแลนะ้วแต่แล้วก็จะใกล้ชิดมากขึ้นว่าถ้าเกิดได้ฟังธรรมะได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อหรือว่าฟังธรรมะจากลูกชาย ก็ยิ่งมีความอบอุ่นใจนะมีความเย็นใจอันนี้ก็ยิ่งเป็นบุญเข้าไปใหญ่เพราะว่าบุญที่ดีที่สุดก็คือบุญที่เกิดจากการที่ได้ปฏิบัติธรรมกา ร, การตอบแทนการตอบแทนบุญคุณที่ประเสริฐที่สุดก็คือการที่ทำให้ท่านได้เกิดสมาทิฏฐิ thể, หรือว่าได้เจริญงอกงามในธรรมะมากขึ้น และท่านอย่น้นได้ก็เพราะว่าสามารถชักชวนให้ท่านเข้าวัดได้หรือว่าให้ชักชวนให้ผ่านสัมผมสนใจธรรมะและเพียงแค่บวชอย่างเดียวแต่พ่อแม่ก็ยังไกลวัดยังไกลาศาสนาพ่อแม่ยังไกลธรรมะก็ยังเรียกว่าตอบแทนบุญคุณท่านได้ไม่เต็มที่ พุเจ้าเคยตัดว่าแม้จะแม้จะอุ้มหรือให้ท่านชื่นขี่คอพาไปไหนมาไหนตลอดเวลาคือไม่ต้องเดินเลยทำอย่างนั้นนะเป็นปีๆก็ยังไม่สามารถก็ยังไม่เรียกว่าตอบแทนบุญคุณได้มากเท่ากับการที่พาท่านได้เข้าเข้าถึงธรรมเข้าถึงศาสนา และการบวชนี่ก็เป็นวิธีเป็นวิธีที่จะช่วยท่านเข้าถึงศาสนาได้แต่ว่าถ้าบวชแล้วบวชไม่เป็นบวชไม่ถูกไม่สามารถที่จะพาท่านเข้าถึงธรรมะได้อันนี้ก็เรียกว่ายังไม่อาจจะตอบแทนบุญคุณได้ถึงที่ถึงขนาดตอบแทนบุญคุณได้ไม่มากแต่เดี๋ยวนี้ไปเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ไปเข้าใจว่า พอบวชแล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณโดยอัตโนมัตินะนะซึ่งก็จริงนะแต่ว่าตอบแทนบุญคุณนย่แงว่าเออทำให้พ่อแม่สบายใจแต่ถ้าเกิดว่ามาบวชแล้วดีแค่วันแรกสองวันแรกแต่ว่าหลังจากนั้นก็ทำตัวไม่ถูกต้องพ่อแม่รู้ก็อาจจะเหมือนก็ตกมารกเลยก็ได้พ่อไม่พ่อไม่อยากให้ลูกทาบา การมาบวชนี่นะมันจะเรียกว่าจะไปดีก็ก็ไปได้ง่ายนะจะไปในทางที่เลวก็ไปได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ถ้าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติตัวเหมือนกับตอนเป็นค า, ารว่าแค่นี้ก็แย่แล้วคื อ, อยังไม่ต้องทำให้ให้แย่กว่า น, นั้นนะแค่ปฏิบัติตัวเหมือนกับค า, ารว่าเนี่ก็แย่แล้ว อันนี้ก็ท้านี่ก็แย่ลงไปท้านี่ก็แย่ไปในในรกข้างหนึ่งแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าอยู่แบบหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็เป็นหนี้ชาวบ้านด้วยไม่ใช่แค่หลอกลวงเพราะว่าเราก็อยู่ได้เพราะอาหารของชาวบ้านเราเป็นหนี้แล้วเราไม่จ่ายหนี้มันก็มันก็มันก็ผิดแลวก็บาป พุทเจ้าตรัสว่าเนียชีวิตพมจันทร์เนี่ยมันเหมือนกับยญ้าคายญาคานี่ดูมันก็ไม่มีพิมพ์ไ ม, มีภายเลยนะแต่ถ้าลูดไม่เป็นนีนะมือเอมือรูดไม่เป็นเนี่ยมือก็บาดมือก็ถูกยญ้าคาบาดจะไปสวรรค์นในเพศทางนี้เนี่ยไปสวรรค์ก็ง่ายนะเพศแบบประชิตหรือเพศพระเนี่ยจะลงนรกก็ง่ายเหมือนกัน พอมาบวชแล้วนี่บางทีมันมีราบสักการะเยอะก็มีความโลภมีความหลงในราบสักการะนั้นอยากได้มากก็ไปหลอกลวงชาวบ้านแลวชาวบ้านก็ก็เชื่อง่ายด้วยเขาก็ใหนะ้ก็ยิ่งหลอกเข้าัปหนักเข้าไปใหญ่ก็เลยก็เลยกลายเป็นคนคดในข้ององในกระดูกในเพศพระ หรือว่าไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่นั่งๆันงนง่นอนน อ, นนชอชเช้าเช้าเพลงเอนนอนเนี่ยพอพอหลังเพลงก็เอนนอนแล้วบ่ายพักผ่อนฟังเพลงอันเนี้ยมันก็กลายปเป็นว่ากลายเป็นโรคทํำนี้มากๆเขาจะกลายเป็นโรคขี้เกียจสั่นหลังยาว มีจำนวนมากเลยที่มาบวชแล้วนี่ได้นิสัยที่แย่ๆกลับไปก็คือว่าขี้เกียจไม่เอางานไม่เอาการซึ่งแย่กว่าตอนเป็นคารวะคารวะนี่ต้องทํามาหากินจะนั่งนั่งนอนนอนขี้เกียจไม่ได้แต่พอเป็นพระแล้วนี่นั่งๆนอนนอนก็มีกินก็เลยติดนิสัยขี้เกียจสึกออกไป ก็กลายเป็นมาแย่กว่าตอนเป็นาราวาสอันนี้เรียกว่าไม่ได้บุญได้บาปแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้บุญด้วยเหมือนกันได้บุญแค่วันแรกสองวันแรกที่เห็นรูปข่มผ้าเหลืองถือพันผองใสหน้าเปล่งปลัง่งแม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วยแต่หลังจากนั้นก็อาจจะแย่ลงเพราะเราต้องเข้าใจดีว่าการบวชนั้นมันเป็นบุญได้อย่างไร มาบวชเป็นบุญเมื่อได้ปฏิบัติเมื่อได้ศึกษาตามหลักตรีศีลคาศีน ส, สมาธิปัญญาเริ่มต้นจากการทำปฏิบัติตัวใถูกต้องตามวินยัย<ม>แล้วก็หลังจากนั้นท่านมาศึกษามาปฏิบัติศึกษาทำมาปฏิบัติกรรมฐานสมาธิปัญญาก็เจริญก้าวหน้าอันนี้ตัวเองก็ได้บุญ แล้วก็ถ้าชวนพ่อแม่ให้ได้มาเห็นอย่างที่ตัวเองเห็นเข้าใจอย่างที่ตัวเองเข้าใจก็ยิ่งประเสริฐเข้าไปใหญ่แต่ถ้าไม่ได้ทำอย่างที่ว่ามามันก็ไม่ได้บุญคนบว่ก็ไม่ได้บุญพ่อแม่ก็ไม่ได้บุญเหมือนกันนนี้ต้องเข้าใจเดีย๋ยวนี้ไม่เข้าใจก็เลยทามาตามประเพณีบวช7วันบ้างบวช3วันบ้าง เขคิดว่าบวชแล้วพ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วบวชสวันพ่อแม่จะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงบางทีลงนรกด้วยเพราะเป็นหนี้จ่ายค่าบวชไป7จ็ดหืนบาทงานเลี้ยงจัดงานเลี้ยงใหญ่โตมหรศพลูกบวช7วันแล้วลูกจะได้อะไรแล้วพ่อแม่จะได้อะไรจะได้บุญอะไรได้เป็นหนี้นี่ จ่ายค่าบวชมันก็จ่ายค่าบวชให้ลูกวันละหมื่นวันละหมื่นจ้างลูกบวชวันละหมื่นแต่และแม่ก็เป็นหนี้เองมันยัต้องขายที่ขายนาเพื่อเพื่อจ่ายมีงานบวชแล้วก็ลูกก็ไม่ได้อะไรผมพ่ายไม่ทันเป็นแล้วก็ศึกซะแล้ว น, นี่ไม่ได้บุญได้แต่หนี้อันนี้ก็ต้องให้ต้องระวงังต้อง สงวนด้วยให้เข้าใจว่าบวชเพื่ออะไรบวชได้บุญได้อย่างไรนั่นเราก็พูดกันเท่านี้กระพร้อรรมกัน